แล้วสามารถละจนบรรลุธรรมได้แต่อย่างน้อยก็ได้ปัญญาแบบเก็บนิดเก็บหน่อยฉันเห็นจากฝันที่สดชัดสมจริงนั้นว่าคนเราอาจสุขทุกได้เท่าเท่าสุขทุกยามตื่นอยู่จริงแล้วอย่างนี้สุขกับทุกทั้งหลายจะต่างอะไรจากฝันผ่านมาแล้วผ่านไปให้ระลึกว่าสิ่งนั้นล่วงไปแล้ว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 ลักษณะจิตย่อมปรากฏอย่างแยกไม่ออกและเมื่อเห็นเวทนามากเข้าจนถึงขั้นเปรียบเทียบชัดได้ว่าระหว่างตื่นกับฝันยามหลับสุขทุกทั้งหลายไม่แตกต่างกันความถือมั่นในสุขทุกทั้งหลายยิ่งเบาบางลงจนเหลือเยื่อเท่าใยแมงมุมอย่างน้อยก็ขณะมีสติรู้ชัดอยู่นั้นสอง การยอมรับสภาพตามจริงที่กำลังปรากฏแม้ว่าเป็นสภาพไม่ดีไม่น่าพอใจทำให้เกิดทุกข์อึดอัดขัดข้องอย่างไรก็ตามน่าจะเป็นกุญแจดอกใหญ่ที่สุดสำคัญที่สุดที่จะเปิดกายนาครและจิตตนคร น, นี้ให้สติเดินเข้าไปสำรวจศึกษาได้โดยปราศจากฝ้าหมอกขมุก ข, ขมัวใดมุงบงังขณะที่นิสัยไม่ยอมรับความจริง